รมมายุพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้เท่าเป็นพราหมณ์ผู้ใหญ่เชี่ยวชาญไตรเวทรู้จักศาสตร์ว่าด้วยคดีโลกและมหาปุริลสลนะักษณะได้ยินกิตติศัพท์เกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคจึงใช้อุตระมานพผู้เป็นสิทธ์ให้ไปติดตามดูมหาปุริสนะักษณะเมื่ออุตระมานพได้ไปสังเกตเห็นเป็นส่วนมากบางส่วนที่เห็นยากพระผู้มีพระภาค